ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่เจ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีชาดกแผ่นที่เจ็ดให้คติธรรมหัวข้อว่าสีลังกิเลวะกันรยา น, นัง การรักษาสินเป็นความดีถ้าหากว่าชุมชนกลุ่มใดก็ตามถ้าหากว่าเป็นผู้มีกฎระเบียบกฎระเบียบในการปกครองชุมชนในกลุ่มนั้นจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะต่างคนก็ต่างอยู่ในกฎกติกาคือศินศินนี่ก็คือกฎระเบียบหรือวินัยหรือกฎหมาย การอยู่ด้วยกันในคติธรรมหัวข้อดอังที่ได้ยกขึ้นนี้คือความเป็นมากาอย่างชาดกทศ ช, ชาติสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติคือชาติหนึ่งก็คือท่านภูริทัตตะท่านเป็นภูริทัตเป็นพญานาคเกิดมาในชาตินั้นพระองค์เป็นผู้แข่งในสิน ถึงจะใครจะทําร้ายทําลายก็ไม่ยอมท่านก็ไม่โกรธคืนแต่เป็นผู้ท่านเป็นผู้รักษาศินเพราะฉะนั้นศินคํานี้ท่าว่าพวกเรารักษาดีแล้วทุกคนเป็นผู้มีศินอยู่ด้วยกันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะฉะนั้นจึงมีชาดกหลายๆเรื่องในแผนนี้เกี่ยวกับการเป็นอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเน้นหนักเรื่องคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมสำหรับการอยู่ด้วยกันแล้วก็ยกตัวอย่างคือชาดกที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาหรือว่าสาวกะชาดกที่ว่าชาดกของพระสาวกหรือเรื่องราวของพระสาวกหรือสาวิกาในครั้งพุทธกาลก็มีหลายเรื่องที่ได้สาธกขึ้นมาเพราะนั้นชาดกแต่และเรื่องก็เป็น แนวทางเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นในชาดกแผ่นนี้ก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผีน้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านที่มุ่งมั่นในการศึกษาเรียนรู้เพื่อจะนำตนไปในทางที่ถูกต้องคือว่าสัมมาทิฏฐิด้วยอำนาจคุณพระีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลนโลกอนุภาพบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานรือทุกทุกท่านที่ได้ฟังชาดกขอให้ประสบแต่ความสุขความเย็นใจความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมค้ยสมหวังดังปรารถนาทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเทอญ